ข้อความในสังยุตตนิกายขันธวรวัตสัตตฐานสูตรเอ <c oughs> นี่เรายัางเรียนสติปัฏฐานอยู่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เรียนยบัพพาไหน <c oughs> อ๋อขันธบัพพาเนะเดี๋ยวไปยังไงมายังไงนะไปขึ้นสังยุตเฉยเลยนะ <c oughs> คือการทิจารณาเรื่องขันเนี่ยนะก็ทิจารณาหลายๆวิธนะีหรือ หรือถนัดแบบสติปัฏฐานที่เรียกว่าแบบอุเทศนะนะแบบย่อๆง่ายๆสั้นๆก็ถ้ามีบุญปฏิบัติได้ตามนั้นก็ก็ถือว่าเก่งแล้วแต่ว่าการพิจารณาตามนั้นจะต้องไม่ขัดต่อต่อสั่งยุตินิกายที่พระผู้มีพระภาคแสดงเรื่องขันโดยนิยะต่างๆทบทวนขันธบัพะในสติปัฏฐานอีกครั้งพระพุทธองค์ตรัสว่าไงนะ พิจารณาขันเนีนะว่านี้รูปนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปนี้ความดับไปแห่งรูป <_' inaudible> นี้เวทนานี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้ความดับไปแห่งเวทนานี้สัญญานี้ความเกิดขึ้นแหง่งสัญญานี้ความดับไปแห่งสัญญานี้สังขารนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารนี้ความดับไปแห่งสังขาร นี้วิญญาณนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนี้ความดับไปแห่งวิญญาณ น, นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนี่ยคือคืออย่างที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยเป็นภายในบ้างคือในตัวเองน่นะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนี่ยเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างนะนะะก็ไอไอความเกิดทั้งห้าที่กล่าวไปนั่นะนะ พิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมบ้างย่อมอยู่นั่นก็นี่คือหลักการสำคัญในการเจริญหรือการพิจารณาขันห่าอันนั้นอีกกล่าวอีกในหนึ่งแต่ถ้ากล่าวแบบสัตธรรานสูตรก็คือเอาสิ่งเดียวกันแต่มากพูดถึงวิธีใค ร, ครวนน่นะ วิธีที่พระองค์สอนหรือวิธีที่แนะนำให้วิจัยอริยสัจเนี่ยมีหลายวิธีมากนันะนะคือไม่ได้ยืนยันอยู่ในวิธีอย่างเดียวนะแต่ว่ารวมๆแล้ววิธีที่ยืนยันเลยคือทุกต้องปริญญาสมุทัยต้องละนิโรธต้องทาให้แจ้งมักต้องเจริญนนะนะอันนี้นี่หลักการอันนี้จะจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่า ปริญญาเนี่ยวิธีการทําปริญญาเนี่ย ไ, ม, ไ, ม, ไ, ไม่ไม่ได้จํากัดใช่ไหมไม่ได้จํากัดว่าจะต้องพิจารณาแง่นี้แง่เดียวนะแง่อื่นผิดอย่างขันห้าเนี่ยขันทขันทวารวักเนี่ยมีวิธีการพิจารณาที่หลากหลายมากนั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีการวิธีพิจารณาที่เป็นร้อยสูตรนั่นแหละพังกันนี่ในสัตตะทานสูตรพระพุทธพจน์ตรัสว่า ภิกผู้ฉลาดในฐานะเจ็ประการผู้เพ่งพินิษฐ์โดยวิธีสามประการเราเรียกว่ายอดบุรุษผู้เสรษฐกิจอยู่จบพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เนี่ยนะโอฉลาดฐานะเจ็ดเพ่งพินิษฐ์โดยวิธีสามนะถ้าใครทําได้ก็เนี่ยคือยอดบุรุษละก็คือคนที่ทําได้คือพระอรหรนันต์อย่างนั้นเถอะนะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ยกย่องพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์ท่านอยู่ยังไง นะท่านรู้อะไรแล้วท่านคิดอะไรท่านอยู่อย่างไรท่านเองดูกรพิสูจน์ทั้งหลายก็พิสูุผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดประการนี้เป็นอย่างไรดูกรพิสูน์ทั้งหลายภิกูุนในธรรมวินัยนี้รู้ชัดซึ่งรูปเหตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับรูปอาสะธาแห่งรูปอาทีนวะแห่งรูปและนิสรณะแห่งรูปนี่นะก็เจ็ดคำนะ รูปเหตุเกิดความดับปฏิปทาให้ถึงความดับคือขยายเพิ่มจากเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานเราจะพูดรูปรูปสมู ท, ทยัยรูปนิโรรูปนิโรธะคามินีปฏิปทาใช่ั้ยแต่วันนี้จะขยายเพิ่มอีกว่ารูปเนี่ยนะความเกิด ของรูปนะความดับของรูปอะไรปฏิปทาให้ถึงความดับนะปฏิปทาให้ถึงความดับรู ป, นน ป, ป, รปและอัาธาอาทีนวะ นิสระณะนะเจนะ็ดคำนะห น, น, นึ่งสองนี่เรียกว่าฐานะเจ็ดเนี่ยนะก็สูตรก็ว่าสตัตตดใช่ไหมสัตตะบวกอัฏฐานะที่จริงอ่ะสัตตะบวกฐานะเฉยๆนะฐานะแปลว่าเหตุเอ่อ ตประตักอันนี้เนี่ยเป็นตัวซ้อนเข้ามาถ้าทอฐานเนี่ยอยู่อย่างนี้นะถ้าจะมาต่อกันตรงนี้เอาต่อประตักนี่มาซ้อนกันได้เนี่ยนะก็เลยสัตตดฐานสูตรพอซ้อนเข้ามาก็จะเป็นมหันหนาะ ก, ก็คือฐานะแปลว่าเหตุเหตุเจดประการเนี่ยนะหรือการพิจรารณาขันโดยเจดประการเหล่านี้แสดงว่า บุคคลนี้จะต้องจะต้องขยายธรรมะเพิ่มอีกมากใช่ไจึงจะเข้าใจอย่างเมื่อวานเนี่ยพูดถึงปริวัตรใช่อ่เวียนรอบเวียนสี่รอบ น, นนะก็คือเวียนว่าไงรูปรูปสมูทายรูปิโรรู ป, รป น, ปปนิโรธาคารมินีปฏิปทานะอันนี้เวียนสี่รอบขึ้นมาสูตรนี้เวียนเจ็ดรอบ น, นนะเพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นที่เพิ่มก็มีอยู่สามคำ น, นนะ ก็อัศทะทีนี้เราย้อนมาถึงการพิจารณาขันท่าถ้าพิจัพิจารณาขันท่าเราควรจะคิดถึงที่ไหนก่อนในโลกที่เป็นจริงนยะ ไ, ไม่ได้คิดถึงคําเลยนะจะคิดว่าคําคําว่าขันท่าเนี่ยเราก็ชํานาญกันอยู่แล้วเอาถ้าจะพิจารณาตัวขันท่าเราจะคิดถึงขันท่าตรงไหนก่อนคุณฑพะ ต้องไหนตากับสีเป็นรูปหูกับเสียงเป็นรูปจมูกกับกลิ่นเป็นรูปเลนกับรสเป็นรูปกายกับโพธภาพเป็นรูปนะสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะรูปใดที่เกี่ยวข้องกับรูปเหล่านี้ทั้งหมดเป็นรูปเพราะฉะนั้นก็พิจารณารูปในทวารหกเดี๋ยนะ รูปประขันในทวารหกนะนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะตากับสีเป็นรูปหูกับเสียงเป็นรูปจมูกกับกลิ่นก็เป็นรูปเลนกับรสก็เป็นรูปกายกับโพธพะเป็นรูปตัวหัตถะวัตถุที่อาศัยของจิตก็เป็นรูปรูปที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่กล่าวไปแล้วรูปที่กล่าวทั้งทั้งหมดไปแล้วเป็นรูปเียนะ ทีนี้เมื่อรูปที่เป็นทวารอย่างหนึ่งกับรูปที่เป็นอารมณ์เนี่ยอย่างหนึ่งนะถ้ากล่าวไปนะก็รูปที่เป็นทวารกับรูปที่เป็นอารมณ์ผลออกมาจะเป็นอะไรเป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนะถือว่าเป็นผลพวงของ ของรูปประขันนะในในโดยเฉพาะมนุษย์ทั้งหลายนะความรู้สึกนึกคิดส่วนใหญ่นี่ถือว่าเป็นผลพวงของทวารและอารมณ์เนี่ยนะก็มาเป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทีนี้ถ้ามาแยกว่าตัวรูปในทวารหกเนี่ยนะกับในอารมณ์เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นรูปที่เป็นอารมณ์เนี่ยได้ทั้งหมดทั้ง27เดเลยนะ หรือ28ถ้า27หมายถึงว่าในหนึ่งคนเนี่ยมันไม่เกิน27เตอเว้นไว้แต่ข้างขึ้นข้างแรมข้างขึ้นเป็นผู้หญิงข้างแรมเป็นผู้ชายเียนะมันจะได้28แต่ถ้าธรรมดาจะได้27ว่ารวมรวมมีรูป28แต่ถ้าในทวาร6 ก, ก็คือในในตั้งไล่ตาหูจมูกลล้นกายคำว่ากายก็กว้างขวางแล้วก็หาทยะดด้วยเพวกนี้ก็เป็นรูป ทีนี้รูปที่ให้ความสำคัญมากที่จะพิจารณาเนี่ยนะก็ให้ความสำคัญกับรูปภายในเป็นอันดับแรกเนี่ยนะเพราะถ้าเทียบภายในกับภายนอกนะเราติดรูปภายในมากกว่าเนี่ยนะแต่ถ้าจะเข้าใจรูปภายในดีก็จะต้องรู้จักรูปภายนอกอีกเหมือนกันถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะที่เราที่เราชอบตาเนี่ยเพราะอยากเห็นสีมนงั้นเถอะอ่นะ ที่เรายิดติดในตาก็เพราะอยากเห็นสีเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้จักตาดีก็ต้องพิจารณาสีด้วยเอกนั่นแหละถ้าจะรู้จักหูดีก็พิจารณาเสียงด้วยเอกนั่นแหละนี่ก็นัยยะเดียวกันทีนี้ความเกิดของสิ่งเหล่านี้ล่ะถ้าว่าโดยรูปประคันนะตัวนีนครั้งตัวที่ทำให้เกิดในสูตรนี้ยกอาหารเพราะอาหารใช่ไมเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิด นะรูปที่เป็นอารมณ์ก็ลักษณะเดียวกันนะเพราะอาหารส่วนที่เหลืออวิชชาเป็นปัจจัยตัณหาแล้วก็กรรมส่วนจิตกับจิตแต่ชรูปอุตูชั่รูเนี่ยพ่วงอยู่ตรงนี้อยู่แล้วถือว่าเป็นบริขารของคือคือในกลุ่มนะั้นเดียวกัน น, นะ นี้เป็นความเกิดของรูปถ้าความดับรูปละ่ะก็อวิชาตันหากรรมดับหรือถ้าเรียกง่ายๆเลยก็ถ้าอาหารดับรูปก็ก็ดับน่นะส่วนปฏิปทาที่จะทำให้ถึงความดับได้เด็ดขาดก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์ดเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่มันจะดับได้ง่ายๆนะรูปถามว่าทำไมมัน ปฏิบัติแล้วดับยากเหลือเกินเพราะว่าอัศาธาในรูปทั้งหมดนี่มันแรงเห็น ไ, ไหคือเคยได้อัศาธาจากรูปเคยได้อัศาธาจากรูปเสียงกลิ่นรสโภตพภะได้อัศาธาจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะมันติดเพลิดเพลินคล่องมานานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเพื่อจะดับได้ไง่ายๆแต่ว่ามีวิธีที่จะทําให้ปฏิบัติดับได้ก็เพราะว่ารูปทั้งหลายนี่มันมีโทษเห็น ไ, ไหม มันมีโทษอยู่ทีนี้เมื่อมีโทษนั้นก็มีตัวที่ตัวถ่ายถอนได้จริงตัวที่ทำให้ถ่ายถอนนั้นก็คืออะไรอริยมรรคเอ่อขออภยัยนิพพานถ้าจะกล่าวให้ชัดอีกในหนึ่งนะอัาธาเนี่ยอัาธาอารีนวะนิสรณะตรงนี้นะย่อมาเหลือธรรมะเป็นกลุ่มนี้ได้ไหมเนี่ยนะไอความเกิดนั่นแหละคือกลุ่มอัาธา ไอ้ความดับนั่นแหละคือกลุ่มอาทีนวะอะ่ขอตัวรูปเนี่ยนะตัวรูปเองเนี่ยมีอาทีนวะอยู่ในตัวเนี่ยนะแต่ว่าอัาธะนี่แหละเป็นตัวสร้างรูปส่วนนิสรณะก็อยู่ในสองกลุ่มนี้เพียงแต่ว่าขยายชี้แจงซ้ำเพิ่มเติมะนะ สำหรับคนที่จะเข้าใจแบบพิสดารมากขึ้นเพราะฉะถ้ากล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวอริยสัจในในรูปลนะกล่าวอริยสัจในรูปแล้วฉะนั้น ถ, ถ้าใครบอกว่าฉันอยากกระเจริญวิปัสสนามากก็นี่แหละไปนั่งไค้ครวนอันนี้แหละไปวิจัยอันนี้แหละเแต่ก็มีกิจนะเอะรูป ถ้าจะพิจารณารูปก็เอากิจมาจับเป็นอะไรปริญญาสามเฉพาะรูปนะถ้ากลมอาศะทะหรือความเกิดของรูปนี้เอาอะไรมาจับปหาณนะาถ้าถ้ากลุ่มความดับละ่ะก็ทำให้แจ้งส่วนปฏิปทาหรือมรกณเนี่ยนะเรียกย่อๆว่าสมถะกับ วิปัสนาสมถะได้แก่องคมัคหวิปัสนาในมัคสองก็เจริญสมถะวิปัสนาเนี่ยควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นก็ที่เหลือก็มามากล่าวถึงกิจนีนะ <c oughs> อริยาสาวกทั้งหลายก็คือผู้ที่ทำกิจเหล่านี้เสร็จแล้วนะทำกิจในปริญญาเสร็จทำกิจละเสร็จทำกิจทำให้แจ้งอบรมสมถะและวิปัสนาเนี่ยจน บริบูรณ์ันก็แทงตลอดรูปนี่นะอันนี้รูปนะเวทนาก็นัยเดียวกันต่างกันตรงไหนถ้าเวทนาท่านก็ให้พิจารณาเวทนาที่มาจากทวารหนะเวทนานี่ให้ไล่มาจากทวารหเวทนาที่เกิดจากทวารตาหูจมกูกลิ้นกายและใจก็ต้องปริญญา3าเหตุให้เกิดเวทนาในยก ภาษะเป็นหลักนะนะพวกนี้มีภาษะเป็นปัจจัยนะเพราะภาษาเกิดเวทนาสัญญาสังขารจึงเกิดแต่ก็บวกกับอวิชาตันหากรรมอยู่ด้วยแล้วส่วนนยะอื่นก็เดียวกันส่วนวิญญาณ น, นั้นมีนามกับรูปเป็นเหตุให้เกิด คำว่านามคืออะไรพวกนี้เป็นนามเนี่ยนะนี่คือนามส่วนรูปก็คือตัวที่เป็นทวารกับเป็นอารมณ์นี่เป็นรูปเพราะฉะนั้นวิญญาณถ้าจะเกิดก็ต้องอาศัยนามกับรูปนั่นเองเนี่ย น, นะนั่นก็เฉพาะพุทธพจน์ตรงนี้ถือว่าผ่านนะเข้าใจกันทุกคนถ้าไม่เข้าใจก็ทำไงเ น, นี่ย น, นะ เอาไปคิดมากๆบ่อยๆนะแต่ผู้การคิดเรื่องนี้มาหลายมาตักงสองปีได้แล้วก็ถามผู้ที่มีประสบะการณ์กันแล้วกันยกเนย็ดไหนสังขารสัญญาสังขารวิธีเรียกชื่อเรียกตามอารมณ์สังขารเอามาเนี่ะถามว่าสังกสังขารไม่เกิดิญญาแต่ม่อี้ว่ามีเกินิญญาเกิดจากนามรูป ใจอย่างเข้าใจอย่างนั้นนะเข้าใจอย่างนั้นไหมนะก็นนกจะภาษา เ, เวทนาสัญญาสังขารยึดภาษาที่เป็นปัจจัยนะจนตอที่เป็นปัจจัยนี้ภาษะเป็นปัจจัยแต่ว่ายังว่านะต้องบวกพวกนี้เข้าไปด้วย องบวชวิชาตันหากรรมโดยโดยธรรมดาอยู่แล้วส่วนวิญญาณเนี่ยนามก็คือเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารที่สัมปยุตนั่นแหละส่วนรูปคือทวารกับอารมณ์เพราะว่าวิญญาณนี้เกิดขึ้นโดยที่ปราศจากสัมปยุตธรรมไม่ได้ปราศจากทวารก็ไม่ได้ปราศจาก อารมณ์ก็ไม่ได้เพราะนามกับรูปจึงเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณานั่นแหละแต่แต่เฉพาะตรงนี้ที่อยากให้เอาไปคิดเพิ่มว่าขันห้ามันมีอั ส, สาธาอยู่นะเมื่อมันมีอัสศสาธานี่ใครอยากบอกจะปฏิบัติแม้ทาไมไม่ไม่เจริญงอกงามเจริญนิพพานําไมไม่ลื่นเลยนะบอกไม่ได้หรอกเพราะอั ส, สาธาในขันห้ามันแร ง, งนั่นแหละ หรือพูดอสสาทจะใช่ว่ายางเหนียวก็ไม่ผิดอนะยางมันเยอะไม่ใช่จะเอามาเผาอะไรง่ายๆนะต้นไม้บางประเภทเนี่ยนะจุดไฟเครึ่งวันก็แทบไม่ติดเลยนะเพราะเผาไม่ง่ายเพราะยางมันชุ่มมากอนะขันห้านี่ก็เหมือนการฉันทราค่าที่พอกพูนมาเนี่ยชุ่มมากอถ้าพูดถึงความยึดติดในขันห้ามานะยึดติดในในขันห้าทางทวารหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย ที่เรายึดมากเนี่ยสังเกตได้จากอะไรว่าเรายึดสิ่งนี้ก็ลองใครมาหมิ่นในสิ่งที่เราในการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรับกระทบหรือร่างกายหรือความรู้สึกนึกคิดของเราเนะถ้าใครมาดูหมิ่นดูแคลนตับ๊บอะไรจะเกิดขึ้นโทสะก็เกิดขึ้นถือว่าเป็นผลพวงจากยึดสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าไม่ยึดสิ่งเหล่านั้นนะใครจะดูถูกอย่างเช่นใครดูถูกสุนัขให้เราเห็นต่อหน้าเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรใช่ไหม แต่ว่าถ้าไม่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราติดมากเพราะอะไรเพราะอันนี้เป็นอย่างเหนียวคืออัศทะที่มีในในขันท่าแต่ขนาดนั้นถึงกับอัสาธะห่วงขนาดไหนขันท่ามันก็มันก็ไม่ฟังหรอกมันมีโทษอยู่อันนี้ได้แล้วนะฐานะ7ประการทีนี้ก็ต่อไปก็คือเพ่งพิจารณาโดยวิธี3ประการนะ เ, เพ่งพิจารณาโดยวิธี3ประการคือ 1. โดยความเป็นอายตนะ 2. โดยความเป็นธาตุโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทเ <c oughs> นี่ยคือรอบรู้สิ่งเหล่านี้นี่ก็ถือว่าดีแล้วก็ต้องเอาสิ่งทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะมาคร่ครวนโดยความเป็น อายตนะว่าขันห้าบางอย่างเป็นทวารกับเป็นอารมณ์นะเช่นขันห่าเป็นอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิน้นกายอันนี้เฉพาะส่วนที่เป็นรูปนะส่วนที่เป็นรูปคือตาหูจมกกูกลิ้นกายสีเสียงกลิ่นรสพุทธะอันนี้เป็นอายตนะที่เป็นเป็นรูปส่วนอายตนะที่เป็นนามล่ะ ในอัตกถาทั่วๆไปท่านให้หลักการอธิบายอย่างนี้ว่าเช่นตานี่เป็นขวายตนะสีเป็นรูปายตนะจิตเห็นเป็นมนายตนะเจตสิกที่ประกอบเป็นธรรมายตนะตรงนี้เป็นธรรมายตนะนะตรงนี้เป็นมนายตนะ อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกทําให้เกิดมานายตนะและธรรมายตนะทีนี้ อ, อ, อายตนะเหล่านี้นะโดยเฉพาะอายตนะคือภาษะเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญต่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อไปในอนาคตด้วยใกล้ๆตรงนี้ด้วยเห็นไหม เฉพาะภาษาภาษาเจตสิกอย่างเดียวนะที่เป็นธรรมายตนะเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญต่อของเวทนาสัญญาและสังขารส่วนเวทนาเอ่ออายธรรมายตนะคือเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยต่ออะไรเวทนาที่เป็นอายตนะนะเวทนานี้เป็นปัจจัยสําคัญของ ตันหาตันหาสส่วนสัญญาเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญของอะไรวิตตกสามเยนเส่วนเจสังขารสังขารนี่ยกเจตนามันเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปมากตัวมันเองอะ่ะเป็นปัจจัยแก่วิบาศกกรร ม, มชรูป เพราะอะไรเพราะว่าสังขารในฐานะเป็นกรรมเส่วนวิญญาณนะ่ะวิญญาณก็ถือว่าเป็นปัจจัยแก่อะไรโดยมากบอกว่าปฏิสนธิน ะ, ะปฏิสนธิของนามกับรูปเ อ, อายตนะภายในอายตนะภายนอกทำให้เกิดมานายตนะธรรมายตนะ ทีนี้อว่าอายตนะนี้โดยความหมายแปลว่าเป็นบอ่อเกิดก็ได้อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเป็นบอ่อเกิดของจิตเจตสิกเหล่านี้อย่างหนึ่งนะหรือเป็นที่สโมสรเนอี่ยนะที่ประชุมของนามธรรมหรือเป็นที่ประชุมของจิตเจตสิกอย่างนี้ก็ได้หรือว่าพอมันประชุมปุ๊บเนมันสร้างอะไรที่มันยืดต่อไปข้างหน้าอย่างที่อย่างนะ ธรรมายตนะคือธรรมายตนะที่เป็นผัสสะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อเวทนาสัญญาสังขารข้างหน้าข้างหน้าอาจจะวันสองวันหรือสิบปียี่สิบปีก็ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นการเห็น ท, ทุกครั้งมานะที่ไปเห็นที่ไปได้ยินในชีวิตเมื่อสมัยหนุนม่นมๆเนี่ยมีผลถึงทุกวันไม่คุณประเสริฐก็มีผลมากนะการไปเห็นไปได้ยินเนี่ยนะ พ้ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญสาคัญของนามขันสามมากแล้วความรู้สึกในสมัยโน้นนะ่ะถือว่าเป็นปัจจัยแก่ความชอบในตอนนี้ไหมก็เป็นแล้วสัญญาสัญญานะเป็นเหตุให้มาตรึกถึงสิ่งเหล่านั้นนีนน่บ่อยไหมเพราะสัญญานั่นแหละเป็นปัจจัยให้มาตรึกมาคิดคุ้นคิดส่วนสังขารมีผลแน่หนะ กรรมไม่ลืมแน่นะที่เอานะในทวารหกที่ไปเคยรับรู้มานะทเหตุใหม่หมดเลยแล้ววิญญาณล่ะถ้าเป็นวิปากวิญญาณก็ถือว่าเป็นผลของกรรมในอดีตถ้าเป็นกรรมวิญญาณอันนี้ถ้าเป็นกรรมวิญญาณก็อุปนิสัยต่อการปฏิสนธิของนามกับรูปเนี่ยน ะ, ะการไข้ครวนอย่างนี้เรียกว่าโดยอายตนะก่อน นะโดยอายตนะถ้าโดยความเป็นธาตุะนะธาตุนิยามของธาตุคืออะไรสิ่งนั้นมีอยู่จริงนะเอาเอาก่อนสิ่งนั้นมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครสักอย่างนิสตตะนิชีวสุญยะสภาวะแต่ว่ามันมีอยู่จริงคือธาตุอนะเช่นจักรธาตุรูปธปาตุ จิตทั้งหลายเป็นมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุส่วนเจตสิก เ, เ, นะเป็นธรรมธาตุเนี่ยนะเป็นธรรมธาตุมันก็จะเป็นธาตุทำมนะผู้ที่พิจารณาเหตุเกิดรูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปปฏิปทาให้ถึงความดับรูปอสสาธะของรูปอาทีนวะของรูปนิสรณะของรูปเมื่อใครครวรอย่างนี้ อย่างดีเยี่ยมก็มาพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นอายตนะเนี่ยนะว่ามันสัมพันธ์กันสืบเนื่องกันมาลักษณะนี้นะ อ, อ, อายตนะเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่ไม่ควรลืมคือคูณการสามเอาไว้เสมอคูณอะไรบ้างอดีตอดีตที่ผ่านมามันพ้นอายตนะเหล่านี้ไหมไม่พ้นอนาคตที่จะมีต่อไปนะพ้นไหม ก็ไม่พ้นไอ้ที่ปัจจุบันนี้ก็อายตนะเหล่านี้นี่แหละแล้วก็สิ่งเหล่านี้มีจริงแต่มันว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากหญิงชายเนี่ยนะแต่มีโดยความเป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่มันว่างเปล่าจากสิ่งอื่นทั้งหมดอย่างสมมติเช่นแร่สังกสีธาตุสังกสีเนี่ยไอ้ธาตุสังกสีมันมีจริงแต่มีใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีธรรมะเหล่านี้ก็จะลักษณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงแต่ว่าไม่ใช่ใคร แต่ก็สัมพันธ์กันโดยความเป็นเหตุเป็นผลแบบปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะถ้ายกตัวอย่างว่ า, าว่ารวมๆก่อนเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี่เป็นอะไรเป็นนามใช่ไหมทวารกับอารมณ์นี้เป็นรูปนามรูปมีอะไรเป็นตัจจัย มีวิญญาณเป็นปัจจัยและวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปจึงมีเป็นปัจจัยแก่สลายยตนาสลายยตนาเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษะก็เป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนี่ยนะถ้าเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุทาน เป็นปัจจัยจึงมีภพพระภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลก็มีด้วยอาการอย่างนี้ถ้าสำร้ออวิชชาในสิ่งเหล่านี้ได้หมดนะคือแทงตลอดสิ่งเหล่านี้นะว่าเช่นรูปถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดโดยความเป็นรูปก็รูปรูปสมุ ท, ทยัยรูปนีโรตรูปนิโรทคามินีปฏิปทา อาสาธาอาทีนวะนิสรณะของรูปถ้ากล่าวแบบนั้นก็แสดงว่าขึ้นต้นด้วยขันขันนี่มีเท่าไหร่มีหอายตนะมีส2บสองธาตุมีส8บปปฏิจจสมุปาทมีองค์ส2บสองถ้าจะพูดให้เต็มนะต้องเอาไปคูณกับเจนี้ด้วยคูณฐานะเจ็ดทั้งหมด ถ้าว่าให้ตรงนะอันนี้คิดแบบคนมีปฏิสัมพิทาก็จะคิดอย่างนี้นนะก็หวังว่าคงไปทำกันบ้านกันบ้าง